จเจริพรเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันเด็กวันนี้วันอะไร <c oughs> วันอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> มีหนี้ค้างเอาไว้ตั้งแต่คราวก่อน หยุดไปส e องเดือนเนาะสองเดือนเจ้านี่มากล้วเนี่ยคนที่ถามคราวที่แล้ว <c oughs> จําได้ไหมใครใครมาคราวที่แล้วาจําได้ไหมว่าเขาถามอะไรคร้างไว้คนไหนครับคนไหนถามจําได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องก็ถามศัพท์มาคำหนึ่ง ซึ่งไม่เคยได้ยินถามเกี่ยวกับอสัมโมหะสมาธิอาตมาไม่เคยได้ยินเลยอึ้งไปพักหนึ่งแล้วไม่กล้าตอบเพราะว่าเกรงว่ามันมันจะตอบผิดไปนะเลยขอตัวว่าขอขอกลับไปหาคำตอบก่อนนะกลับไปแล้วหาแล้วนะ ช่วยบอกกับคนถามดยก็แล้วกันถ้าเขามาถามตรงนี้อีกนะบอกให้ไปคลิกฟังในเว็บจิตสบายอั <c oughs> มโมหสมาธิไม่เคยได้ยินถ้าจะมีก็คงจะเป็นการอธิบายโดยครูบาอาจารย์ถ้าจะมีนะแต่โดยสัพท์ในคำพีจริงๆไม่เคยเห็นจะเห็นก็คืออัมโมหะสัมปชัญญะ คำนี้เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเหมือนกันเนอะ <laughs> อสัมโมหะสัมปัญญะมันมาเป็นคําอธิบายอยู่ในสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เคยได้ยินไหมอ๋อโอเคนะจะมีแวลแลวล้ใช้ได้มีพยักหน้าแล้อสัมโมหะสัมปัญญะเนี่ยเป็นคําอธิบายตัวสัมปัญญะอีกทีหนึง่ง สัมมัชญญะเนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่ในสติปัฏฐาน4ทีหนึง่งแปลกไหมเรื่องสติปัฏฐาน4ีทำไมมามีมีสัมมัชญะด้วยสติปัฏฐาน4ีเนี่ยเป็นคาสอนที่พระเจ้าทรงบอกเองว่าเป็นทางเอกเป็นทางหนึ่งเดียวที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยนะในตัวสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้มี พูดแต่เรื่องสติแต่ว่ามีเรื่องสติเนี่ยเป็นเอกเป็นตัวเป็นองค์ธรรมสำคัญนะจึงยกเอาคำว่าสติมาเป็นหัวข้อธรรมะเป็นที่ตั้งของสติส 4, 4อย่างนะคือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เราคุ้นเคยกันดีนะแต่ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยท่านไม่ได้ให้มีแค่สติเฉยๆนะท่านมีบอกว่า เป็นเป็นบาลีนะบอกกาเยกายานุปัสสีงงไหมค่อยๆฟังนะเด็กๆทำหน้ามึนแล้วเนี่ยแล้วกายในกายนะตามรู้กายในกายกายในกายก็เป็นอีกเรื่องนึงนะบมต้องแจกแจงเยอะแยะเลยกายในกายเนี่ยจะบอกว่า ให้ดูกายจริงๆในกายไม่ใช่ให้ดูเวทนาในกายไม่ใชใ่ดูกูในกายให้ดูกายเป็นเป็นกายในกายไม่ใช่ใดูแล้วกายเป็นมือหรือเล็บหรือขนพวกนี้ไม่ใช่หรือว่ามือกูมือเขาอะไรเงี้ยนะให้ดูว่าเป็นกายกายในกายหรืออีกแง่หนึ่งก็คือว่าดูกาย ย่อยในกายใหญ่กายย่อยในกายใหญ่ก็คือแทนที่จะดูทุกส่วนเพราะกายนี่จะแยกย่อยไปแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดผมขนเล็บฟันหนังอะไรนะดูเฉพาะผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้หนังก็ได้หรือดูลมหายใจก็ได้หรือว่าดูเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างนี้ก็ได้ดูส่วนใดส่วนหนึ่งแล้เวเป็นการอธิบายกายในกายอีกแง่มุมหนึ่ง หรือเห็นกายในกายจริงๆไม่ใช่เห็นกายทิพย์ในกายเนื้ออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคนละเรื่องกันกายในกายเนี่ยคือเห็นเป็นกายจริงๆไม่ใช่เห็นเป็นเป็นเราเป็นเขาคำต่อมาคำต่อมาบาลีบอกว่าอาตาปีสัมปัญโนสติมาโอ้นี่นี่รู้ด้ดีดีดีดจะได้คอยช่วยถว่วง อาตาปีหมายถึงมีความเพียนเผ า, ากิเลสแต่เราไม่ค่อยมีความเพียนเผากิเลสเราจะมีกิเลสเผาเราใช่ไหมมันใครเผาใครก็ไม่รู้นะมีเผาเราเองแล้วก็ไปเผาเขาแล้วก็ไปเผาบ้านเผาเมืองเหมือนกันะแต่จริงๆต้องมีความเพียนเผากิเลสความเพียนในที่นี้ก็คือความเพียรในองค์มรรคนั่นเองก็คือกุศลทำอันไหนไม่เคยทําให้ให้ทําเกิดขึ้น กุศลทำอันไหนทําแล้วอย่าให้มันเสื่อมไปอกุศลอะไรที่ไม่เคยทําอย่าไปทําอกุศลอะไรที่ยังมีอยู่ให้ละไปเสียนี่อาตาปีสัมปชาโนในตัวนี้มาอยู่ที่มาอยู่ในเรียกว่าอาสัมโมหะสัมปัญญะก็คือท่านแจกแจงออกสัมปัญญะออกมาเป็นอีกสี่อาตาปีเป็นสี่เลยใช่ไหมสีว่าอา กุศลอะไรไม่เกิดจะให้เกิดที่มีอยู่ให้ละไปกุศลอะไรมีอยู่ให้รักษาไว้กุศลอะไรที่ยังไม่มีให้ทาให้ภาวนาขึ้นมาสัมปจัญญะก็แยกมาอีกสี่มีศัพท์ภาษาบาลีด้วยไม่อยากไม่อยากจำเดี๋ยวงงครูบาอาจารย์นั้นก็แจกแจงเป็นภาษาง่ายๆนะอะไรมีสาระไม่มีสาระเคยได้ยินไหม าอาจารย์เคยเคยแจกแจงให้ฟังสัมปชัญญะเนี่ยแบ่งออกว่าแยกให้ออกสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของปัญญานะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาสติเนี่ยเป็นอยู่ในเรื่องของสมาธินะแต่สัมปชัญญะเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเพดัะนั้นมันจะมีตัวแยกแยะตัววิเคราะห์นะสัมปชัญญะเนี่ยบางทีเราใช้คําแปลสัมปชัญญะว่าเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อม ก็ยังงงอยู่นะแปลแล้วก็ยังมึนๆ น, นะเอามาใช้ไม่ถูกสัมมาทัญญิเนี่ยลองแจกแจงในสี่อย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงแล้วเนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วจะรู้สึกว่าไม่ต้องแปลเป็นไทยก็ได้ใช้ศัพท์ศัพท์ไปเลยเหมือนคําว่าสติเนี่ยพอแปลไปแล้วเนี่ยบางทีแปลแปลแล้วงงๆนะแต่สัมมญญาทิฏฐิแปลแล้วยิ่งงงไปใหญ่เลยสัมมญญาทญฏฐิคือแจกแจงแยกแยะได้ว่า อะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์และในส่วนที่มีประโยชน์ทั้งมีสาระเนี่ยแยกกันไปแล้วนะสาระที่ไม่มีประโยชน์ก็มีนะเอาเฉพาะที่มีประโยชน์ในส่วนที่มีประโยชน์อะไรที่เหมาะกับเราสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหลายเนี่ย need, เราไม่จาเป็นต้องถือมาปฏิบัติทั้งหมดอย่างในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมด ใน 80,000 ปีพันพระธรรม安ันั้นมีประโยชน์ทั้งหมดแต่เราไม่ต้องไปถือปฏิบัติทั้งหมดหรือต้องอ่านให้ครบ45้าเล่มก่อนจึงจะปฏิบัติได้ไม่จำเป็นเอาแค่อันไหนเหมาะกับเราแล้วอสัมโมหะมาอยู่ข้อสุดท้ายอสัมโมหะสัมมาชัญะก็คือว่าเมื่อรู้แล้วว่าอะไรมีสาระไม่มีสาระเลือกเอาเฉพาะที่มีสาระความรู้ในโลกนี้มีเยอะแยะหมด ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเปิดเข้าคลิกในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมีมีข้อมูลเยอะแยะหมดเลือกเอาเฉพาะที่มีสาระนะในบรรดาที่ที่มีสาระเนี่ยบางทีสาระก็จริงแต่ว่าไม่มีประโยชน์เช่นข่าวสารบางอย่างมีสาระไม่มีแต่อ่านแล้วรู้สึกเครียดอ่านแล้วเกลียดเรื่องยิ่งเรื่องการเมืองเนี่ยนะรู้สึกแบบอ่านแล้วมีโทสะอะไรนะ ก็อย่าเพิ่งไปอ่านมันดูเฉพาะหัวข้อขาวว่าเออมันมีอะไรกันแล้วเฉยๆพอนะพอพอไม่ตกยุคหรือไม่ตกข่าวพออันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ธรรมดาที่มีประโยชน์อย่างที่บอกแล้วคำสอนพุทธเจ้ามีประโยชน์ทั้งหมดแต่บางทีไม่เหมาะกับเราต้องไปดูว่าเรามีจริตแบบไหนแล้วเลือกปฏิบัติให้ตรงตามจริต <c oughs> เลือกปฏิบัติให้ตรงตามจริต <c oughs> เลือกได้แล้วอสัมโมหะคือทํำบ่อยๆอย่าเผลอโมหะแปลว่าเผลอหรือว่าหลงลืมตัวใจลอยอนะอะแปลว่าไม่สัมก็คือประกอบร่วมอะสัมโมหะคือทําไปโดยที่ไม่ไม่หลงไม่เผลอ <c oughs> ทํำบ่อยๆเมื่อเลือกได้แล้ว รู้แล้วว่าเรามีจริตแบบไหนควรจะปฏิบัติทำข้อไหนทำสิ่งนั้นบ่อยๆอย่าเผลออยู่ในนี้อาตาปีสัมปชาโนสติมาสติมาจริงแล้วมาคอยคอยมาเจริญสติในส่วนที่ตัวเองเลือกแล้วว่าตรงกับจริตตัวเองสติมีอยู่มีฐานที่ตั้งอยู่สี่กายเวทนาจิตธรรมไม่ต้องทำทีเดียวทั้งหมดก็ได้ทําเท่าที่ ตรงกับจริตตัวเองแล้วก็เลือกเอานะท่านก็อธิบายอีกว่าจริตสําหรับเจริญสติปัฏฐานสีมีอยู่สองจริตเท่านั้นนะคือตันหาจริตกับทิติจริตนะเคยได้ยินไมไนมะทางฝั่งนี้ได้ยินแล้วะฝัง่งนี้ได้ยินไหมได้ยินเหมือนกันนะต้องคอยเช็คมันกันนะบางทีเทศไปสักตาลอยใจลอยนะต้องเปลี่ยนใหม่ต้องมาเล่านิทาน <laughs> ถ้าจริตแบบตันหาจริตตันหาจริตคือพวกที่รักสวยรักงามทําสมาธิได้ง่ายพวกนี้ให้มาดูกายหรือเวทนาเจริญสติในส่วนที่เป็นกายหรือเวทนาถ้าพวกทิ่ติจริตคิดมากให้ดูจิตหรือดูธรรมนะธรรมนี่ก็คือเป็นดูเป็นองค์รวมดูเป็นองค์รวมดูเป็นว่า อะไรที่มันขวางเราไม่ให้เข้าสู่สมาธิได้ดูเป็นเรื่องของนิวรห้าเลยกายนี้ชีวิตนี้เป็นยังไงดูเป็นเรื่องของขันห้าเลยไม่ใช่ดูเป็นทีละตัวทีละตัวแต่ถ้าดูจิตเนี่ยดูทีละตัว <c oughs> ดูว่าราคะเกิดตอนนี้มีราคะตอนนี้ไม่มีราคะตอนนี้มีโทสะตอนนี้ไม่มีโทสะดูทุดูทีละตัวแต่ถ้าพวกไร้มากมาก ปัญญามากๆดูเป็นชุดมาเป็นชุดมาเป็นองค์มาเป็นเป็นเป็นกองเห็นขันท่าแยกเป็นกองกองมารวมแล้วก็แยกแยกอันนี้เป็นรูปเป็นเป็นเวทนาสัญญาสังขารคือดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสามารถแยกแยะออกได้เป็นชุดๆและโยงกันได้ด้วยแต่สำหรับคนที่ปัญญายังไม่มากไม่มากพอดูทีละตัวดูราคะเกิดขึ้น แล้วลาคะดับไปโทสะเกิดขึ้นแล้วโทสะดับไปโมหะคือใจลอยใจลอยนี่เกิดบ่อยเกิดบ่อยพอใจลอยแล้วรู้ทันดับไปฟุ้งซ่านคือคิดปฏิปะตปะตสเปะสปะ เ, เ, เป็นเรื่องเป็นราวหาที่จบไม่ลงหาที่ขึ้นไม่ถูกอย่างนี้นะก็รู้รวบไปเลยว่าฟุ้งซ่านไปแล้วฟุ้งซ่านบาทีก็หดหูดูดูทีละตัวทีละตัว ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนี้ดูทีละตัวทีละตัวไปก่อนแล้วค่อยๆสะสมความรู้จิตจะสะสมความรู้ไปเองพอจิตสะสมความรู้เนี่ยความรู้ที่ต้องการให้ตรงให้เกิดปัญญาคือรู้ให้ลงในไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาไม่เที่ยงคือเปลี่ยนไปเป็นทุกข์คืออยู่นิ่งไม่ได้ จริงๆมันก็คือสภาวะเดียวกันนั่นแหละไม่เที่ยงคือเปลี่ยนไปเป็นทุกข์คืออยู่นิ่งไม่ได้ก็เปลี่ยนไปนั่นแหละ<ม>บางครั้งบางครั้งพระเจา้าพระองค์ก็รวบไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยรวมกันเหลือไม่เที่ยงอย่างเดียวใครเคยสวดธรรมวัตเช้าบ้างธรรมวัตเช้าเคยสวดไหมใครไม่เคยสวดธรรมวัตเช้าเดี๋ยวจะให้สวดให้ฟัง <laughs> มีช่วงหนึ่งที่ท่านให้สวดว่ารูปังอนิจจังนะรูปไม่เที่ยงแล้วข้ามไปเลยเป็นรูปังอนัตตาใช่ไหมไม่มีรูปังอนไม่มีรูปังทุกขังนะเพราะว่าว่าโดยย่อแล้วเนี่ยความไม่เที่ยงกับทุกเนี่ยก็คือรวมกันได้มองมองคนละแง่ตั้งนึงไงมองมุมนี้มองมุมนี้เรื่องเดียวกัน ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือเรื่องเดียวกันแต่ถ้าแจกแจงให้แยกแยะไปจริงๆแล้วก็สามารถแยกได้อีกคือในจุดที่มันอยู่นิ่งแล้วนิ่งไม่ได้เรียกว่าไม่เที่ยงเอ้ยขอไปเรียกว่าเป็นทุกข์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเรียกว่าไม่เที่ยงแล้วกระบวนการที่มันเป็นไปเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยเรียกว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เรียกว่าอนัตตา เท่ากับตอบคำถามได้ยังถ้าถ้าไม่พอใจต้องมองกล้องใช่ไหมถ้าถ้าคลิกฟังคำตอบนี้แล้วยังไม่เคลียร์ให้กลับมามาดูใหม่โปรดดูอีกทีนึงโปรดฟังซ้ำอีกทีนึงอ๋อเป็นไปเกือบครึ่งชั่วโมงละ